มีใครอยากจะถามอะไรไหมคำถามถามธรรมะนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งไม่ได้แสดงว่าเร า, เ, าเป็นคนง่อหรืออย่างไรแสดงว่าเราเป็นคนที่มีความสนใจในธรรมะ ความสนใจในธรรมความยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงเพราะการยินดีในธรรมจะทำให้เราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงไม่มีรถอะไรในโลกนี้ที่จะเลิศเท่ากับรถแห่งธรรมรถในโลกนี้ก็คือรถของลาบยศสรรเสริญ รสของรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑะที่พวกเราหากันแย่งกันตีกันฆ่ากันสู้รถแห่งธรรมไม่ได้รสแห่งธรรมนี้ทำให้เราไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องฆ่ากันเพราะรสแห่งธรรมให้ความอิ่มความพอส่วนรสของลาบยศสรรเสริญ รสของรูปเสียงกลิ่นรสผดธพาให้แต่ความหิวโหวยได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พ อ, อจึงต้องแย่งกันตีกันฆ่ากันทําสงครามกันโลกที่เราอยู่กันทุกวันนี้เพราะสิ่งที่เราอยากได้กันมันไม่ทำให้เราอิ่มให้เราพอทำให้เราอยากได้เพิ่มมากขึ้น และทำให้เรากลัวว่ามันจะหมดมันก็เลยทำให้เราต้องคอยแย่งกันตายไปกระิทงเงินเกินกาดเป็นวนไม่มีใครเอาไปได้เศรษฐีหมืนล้านแสนล้านเอาไปทำไมตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ใช้มันแต่เพราะติดมันเหมือนติดยาเสพติดนะต้องมีมากๆ กลัวมันจะหมดต้องหาอยู่เรื่อยๆหาไปจนวันตายตายแล้วก็ออกไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวซื้อรถแห่งทาไม่ได้รถแห่งทาให้ทำให้ทาให้อิ่มทำให้พอทำให้ไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีกันไม่ต้องข่าฟันกันไม่ต้องโกรธเกลียดกัน ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดเพราะมันมีมันอยู่ในใจของเรามันไม่มีวันหมดเราใจเราไปไหนมันก็ไปกับเราอยู่กับเราไปตลอดนโลกเราถ้าทุกคนหันมาให้ความสนใจกับรถแห่งธรรมโลกของเรานี้จะอยู่กัอนอย่างร่มเย็นเป็นสุข จะไม่ต้องมาแข่งแย่งชิงดีกันไม่ต้องมาฆ่ากันมาฟันกันมารังแกกันมาบเบียดเบียนกันเนี่ยโลกเรานี้เสื่อมลงไปเรื่อยๆความความโลคความอยากได้นาบยศสรรเสริญจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ จะมีการฆ่าฟันมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปจะเป็นยุคมิกสัญยีมิคสันญีก็เห็นคนเป็นผักเป็นปลาฆ่าฟันกัน อ, อืเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของตนเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์แสวงหาราำยศ สรรเสริญสุขแล้วก็ปกป้องรักษาลาบยศสรรเสริญสุขกันต้องฆ่าฟันกันแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าสังเกต ด, ดูประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาอยู่กันเดี๋ยวนี้อยู่กันเป็นแบบกองโจรฆ่าฟันกัน พอไม่เคยได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมสัมผัสแต่ลาบยศสรรเสริญสัมผัสกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่มีมีปริมาณจำกัดเนี่ยทุกคนต้องแย่งกันต้องไปหา ทรัพยากรใหม่ๆกันอยู่เรื่อยๆพอทรัพยากรที่มีอยู่มันจะค่อยๆหมดไปเดี๋ยวนี้ต้องวางแผนไปบุกลุกหรือไปตั้งรกรากในต่างต่างดาวดวงดาววางแผนไปโลกพระจันทร์กันวางแผนไปดาวอังคารกันเพื่อที่จะได้ไป หาทรัพยากรมาผลิตลาบยศจรละเสนสุขกันนี่คือรถของโลกเป็นรถที่เต็มไปได้วยความขมขื่นเต็มไปได้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่เหมือนรถแห่งธรรมรถของธรรม เป็นลดของความเย็ยนของความสงบของความสงบของความสบายไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีกันเพราะมีอยู่ในตัวของเราทุกคนเพียงแต่เราไม่เข้ามาหามันท่านั้นเองเราไม่รู้กันนี่ท่านเรียกว่าอาวิชชาไม่รู้เราไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษ ความสึกอันเลิศโลกฝนจะตกเดี๋ยวต้องเอาล่มไปปิดไอ้เครื่องขยายเสียงนะเดี๋ยวมันจะเสียหายเอาล่มไปกางทับไว้หน่อยมันยังไม่ตกมากถ้าตกมากก็ต้องเก็บนะเดี๋ยวเสียแล้วก็มีปัญหาถ่ายทอดไม่ได้ ต้องเสียเงินซื้อของใหม่ฉะนั้นเอาความปลอดภัยดีกว่าความปลอดภัยป้องกันไว้ดีกว่าแก้กันดีกว่าแก้กันไม่เสียอะไรมากแก้ต้องเสียมากต้องเสียเงินซื้อเครื่องใหม่กันก็เพียงแต่เอาล้มไปกลางทับไว้เท่านี้ นี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันจะเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาปัจยาสังขาราความโง่ความไม่รู้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนี้ทำให้เราคิดปรุงแต่งไปหาราบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะกันพอเราไปแล้วเราก็เราก็เกิด ความสุขจากการได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสแตเ่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ต้องหาอยู่เรื่อยๆออออก็เกิดตันหาความอยากขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ให้ความพอให้แต่ความหิวให้ตันหา จะเปมะอาวิชชาปัจจยาสังขารความโง่ททำให้เราปรุงแต่งไปหาวิญญาณวิญญาณก็คือทางออกของจิตสู่ตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณก็จะพาจิตให้ไปเกาะอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผพพะพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง ก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาเห็นรูปที่ชอบก็เกิดความสุขก็เกิดตัณหาความอยากได้ขึ้นมาได้มาอันหนึ่งแล้ ว, ลวก็ไม่พอเดี๋ยวอยากได้อันที่สองได้อันที่สองก็ไม่พออยากได้อันที่สามเพราะความสุขที่ได้จากอันที่หนึ่งมันหมดไป อ, อ, อยากจะได้อันใหม่ เห็นแม่ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาวันนี้ได้ความสุขจากมันชุดที่หนึ่งพรุ่งนี้ไปเจอชุดที่สองในร้านความสุขที่ได้จากชุดที่หนึ่งก็หายไปอยากจะได้ความสุขจากชุดที่สองก็ต้องซื้ออีกก็เลยเกิดตันหาความอยากพออยากก็เกิดอุปทานติดติดกับความอยาก ซื้อแล้วก็ต้องอยากซื้ออยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้ซื้อก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจแล้วก็พาให้ไปสู่พบใหม่ต่อไปพาไปสู่การหาชุดใหม่ของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆพอร่างกายแก่เจ็บตายก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ นี่แหละคืออวิชชาความไม่รู้รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงไม่รู้ว่ารถแห่งธรรมอยู่ที่ไหนหาไม่เป็นหาไม่เจอทั้งๆง ท, งที่อยู่ที่ตัวเหล่านี้เหมือนคนที่ใส่แว่นตาแล้วเอาแว่นตาคีบไว้ที่ศีษะแล้วก็พยายามหาแว่นตาอยู่นั่นไแว่นอยู่ไหนหายไปไหนวะ โอ้ยมันก็อยู่ที่หัวเรานี่แหละมอไปข้างนอกหามันใหญ่จนกระทั่งไปเจกระจกทั้งจะเห็นอาอนี่แหละพระพุทธศาสนาคือกระจกรู่บ่ยหาลาบยศเสนเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาแทบเป็นแทบตายหาได้มาเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอไม่มีความสุข จนไปเจอพระพุทธศาสนาเขา้าถึงจะเห็นว่าเฮ้ยความสุขอยู่ที่ตัวเราอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะไอ้ น, นั้นเป็นความทุกข์เพราะหามาแล้วมันหมดหมดแล้วก็ทำให้ทุกข์อยากได้ใหม่เวลามันได้มาก็สุขเดี๋ยวพอมันจางมันหมดไป มันก็กลายเป็นความทุกข์เพราะอยากได้ใหม่แล้วไม่ได้ใหม่ก็ทุกข์ของที่ได้มายังไม่หมดพอมันจากเราไปก็ทุกข์เวลามันอยู่ก็ยังห่วงกังวลก็ทุกข์กัมานอีกซื้อรถใหม่มาขันหนึ่งทุกข์กัมันไหมพอได้มาแล้วก็ต้องหวงนะต้องห่วงแล้วถ้าเกิดมัน หายไปนี่ก็ทุกข์อีกนี่คือความทุกข์ต่างๆที่เราไปหากันโดยไม่รู้สึกตัวได้อะไรมาถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขเดียวๆเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอนี่ จนกว่าจะได้มาเจอกระจกเห็นกระจกกระจกก็จะบอกว่าเฮ้ยความสุขอยู่ที่ตัวเราเนี่็แ้่นที่คุณหานี่อยู่ที่คุณขี้ไว้บนสีสะะ อ, อยากจะหาความสุขให้เข้ามาหาความสุขในตัวเราเถิดอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์ ทุกวันนี้ที่เราทุกกันเครียดกันก็ทุกข์กับคุณลาบยศสรรเสริญทุกข์กับรูปเสียงเกล็ดล็อเนี่ยรูปเสียงกล็ดล็อตก็คือคนนั้นคนนี้ก็เป็นรูปเสียงกล็ดล็รูปแผ่นกองหนึ่งเราอยู่ใกล้คนที่เราชอบคนที่เรารักเราก็มีความสุขพอคนที่รักรักเราชอบเขาไปเราก็เศร้า เราก็เหงาเราก็ต้องวิ่งหาอยู่เรื่อยๆนี่คือวิ่งหาได้เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมได้มาพอได้ก็ดีใจแล้เดี๋ยวก็ต้องจากกันพอจากกันก็เสียใจหามาได้เท่าไหร่มันก็ต้องจากกันเท่านั้นนะไม่ช้าก็แล้วไม่จากเป็นก็ต้องจากตาย นี่คือความทุกข์ที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันเพราะเราไม่เห็นความอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความสุขเหล่านี้ไม่ไม่เห็นว่าได้มาปั๊บมันสุขเดียวเดียวสุขแล้วก็จางหายไปแล้วก็สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันสุขให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ นี่คือเรื่องของอวิชชาความไม่รู้ความจริงว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงตอนนี้พวกเรายินดีกับอะไรยินดีกับกรูปเสียงกลิ่นรสปุตตะภะกามฉันทะฉันทะแปลว่าความยินดี กามกามก็คือกามะคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผุด พ, พะเนี่ยตั้งแต่เต่นขึ้นมาจนถึงหลับเนี้ยวันเนี้ยเราหารูปเสียงกลิ่นรสผุดพะกันหรือเปล่าเราเสพมันหรือเปล่าเดี๋ยวก็อยากจะดูรูปเดี๋ยวก็อยากจะฟังเสียงเดี๋ยวก็อยากจะดมกลิ่นอยากจะลิ้มรสอยากจะสัมผัสกับ สัมผัสทางร่างกายอันนี้คือความยินดีในกามซึ่งเป็นโทษแก่จิตใจเพราะเป็นเหมือนอยาเสพติดนั่นเองอยาเสพติดนี่ทำไมเขาถึงติดกันเพราะมันสุกแต่มันสุกเดียวเดียวขณะที่ได้เสพนี่หมมันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ แต่มันเป็นสวรรค์ชั่วคราวเดี๋ยวพอฤิ์ของยาหมดก็ตกจากสวรรค์พอตกจากสวรรค์ก็เศร้าขึ้นมาหงุดหงิดําคาญใจขึ้นมาต้องเสพใหม่ต้องสูบใหม่ต้องเสพยาใหม่เสพเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เหมือนกันเป็นรอบๆไปเป็นความสุขทีละรอบไปแล้วก็เป็นความทุกข์ ที่ตามมาทามเวลาความสุขที่ได้จากการเสพหายไปนี่คือความหลงความไม่รู้ว่ามีรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงอยู่ในตัวเรานี่เองต้องมาเจอกระจกพระพุทธศาสนานี่เป็นเหมือนกระจกที่จะ ทำให้เราเห็นว่าความสุขที่เราหากันนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การทำใจของเราให้สงบนี้เองใจสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาทีนี้วิธีการทำให้ใจเกิดความสงบเกิดความสุขทำอย่างไรขั้นต้นก็ต้อง เกิดจากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมให้เพื่อให้ดูว่าวิธีที่จะทําใจของเราให้สงบนั้นทำอย่างไรออมงคลสามสิบแปดเนี่ยสามสิบแปดวิธีด้วยกันเนี่ยพระพุทธเจ้าแจงอย่างละเอียดเลยวิธีที่จะทาใจของเราให้สงบมีมงคลสามสิบแปดเช่นมงคลข้อที่หนึ่ง อย่าคบคนพาลคืออย่าคบคนง่อคนที่ไม่รู้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนั่นเองอย่าไปคบกับคนที่เสบรูปเสียงกลิ่นรสผลตะอย่าไปคบกับคนที่แสวงหาราบยศสรรเสริญให้คบบัณฑิต บุนดิตคือคนที่ไม่แสวงหาลาบยศสรรเสริญไม่แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใครเหล่ที่ไม่ทําอย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกนี้เอท่านไม่แสวงหาลาบยศสรรเสริญท่านไม่แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านแสวงหาความสงบ ท่านแสวงหาธรรมธรรมก็คือความสงบนี้เองมองคนที่สูงสุดท่านบอกว่าให้คบบัณฑิตอย่ากคบคนโง้คนโง่ก็คือคนที่แสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหารูปเสียงกิ่นลดผลตภะทำไมไม่คบกับคนแบบนี้ เพราถ้าคบกับคนแบบนี้เขาก็จะชวนเราไปหาลาบยศสรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผลทพะนั่นเองถ้าคบกับเขาเดี๋ยวก็ชวนเราไปเอ้ยไปหาเงินไหมไปลงทุนไหมไปซื้อหุ้นไหมไปซื้อตึกแถวไหมไปซื้อที่ไหมอันนี้ก็ ถ้าคบกับคนที่เขาหาลาบเขาก็จะชวนเราไปหาลาบถ้าคบกับคนที่หายศเขาก็จะชวนเราไปหา ย, ยดนะคบกับพวกนายอในายร้อยนายสิบนายพนนพันเดี๋ยวก็จะชวนเราไปหายศกัน hey, เฮ้ยเลื่อนขั้นหรือยังเป็นในร้อยมาต้องนานแล้วยังไม่ได้เป็นนพันอีกเหรออันนี้ก็ถ้าไป ครักับคนที่เขาหาอะไรเขาก็จะชวนเราไปหาอย่างนั้นก็บกับคนที่ไปหายศหาสัลตะเสริญหารางวีรางวัลเอเขาก็จะชวนให้เราไปเอ ล, ล่ารางวันกันเอที่ไหนมีการแข่งขันมีการแจกรางวัลก็จะชวนให้ไป ล, ล่ารางวัลกันเอออไปตีกอล์ฟกันไปเล่นเทนนิสกันเอ ไปเล่นฟุตบอลกันเพื่อไปล่ารางวัลกันหรือถ้าเป็นทางนักวิชาการก็ไปล่ารางวัลโอลิมปิกเหรียญคณิตศาสตร์เหรียญทองฟิสิกส์เหรียญทองเคมีเหรียญทองหรือไม่ล่ารางวัลโนเบลกันเลย น, นี้ก็เป็นพวกที่ถ้าเป็นคบกับเขาเขาก็จะชวนเราไป หาสิ่งเหล่านี้ถ้าพวกชอบเที่ยวครับเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวได้ไปเที่ยวยุโรปหรื อ, อยังได้ไปเที่ยวอเมริกาหรื อ, อยังได้ไปเที่ยวออสเตรเลียหรือยังได้ไปเที่ยวเกัลลีหรื อ, อยังไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนี่คือคนโง่คนพวกนี้เรียกว่าคนโง่ ก็สรุปกว่าคนทั้งโลกเนี่ยโง่มีพระ อ, อริยรสงสาวกับพระพุทธเจ้าท่านนั้นนะที่ไม่โง่ซึ่งมีน้อยมากแต่ไม่ต้องคบกับตัวท่านก็ได้คบกับคําสอนเป็นตัวแทนท่านก็ได้คืออย่างนี้เราเข้าถึงตัวแทนของท่านได้ง่ายมีอยู่ในกำรร ม, มือเราแล้วเนี่ยในมือถือเรานี่แหละ อยากจะอ่านธรรมบทไหนข้อไหนเนี่ยเสิร์ชได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพิมพ์ด้วยพูดอย่างใช้ภาษาพูดก็ได้พระไตรปิฎกเนี้ยเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้มันมันเสิร์ชภาษาไทยได้อย่างฟังภาษาไทยได้อย่างฮะเครื่องโทรศัพท์มือถือนี่เราพูดภาษาไทยมันมันมันฟังได้หรือยังได้นั่นแหละเอให้มันค้นหาอะไรได้แล้วนะ เห็นไหมอยากจะดูมงคลละสูตรมงคลสามสิบแปดเนี่ยพูดไปแค่นี้มันก็โผล่ขึ้นมาแล้วอ่านได้เลยข้อที่หนึ่งก็อยากคบคนผ่านปัญหาคืออ่านแล้วไม่เข้าใจกันเพราะไม่รู้ว่าท่านหมายถึงอะไรคำว่าผ่านนี่หมายถึงอะไรต้องไปเปิดเด็กอีกเปิดดูว่าคำว่าผ่านแปลว่าอะไร เพราคนพาณที่เราเข้าใจมันไม่ใช่แปลว่าโง่คนพาณิชย์าว่าคนเป็นคนพาณิชย์พะโคนไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างนี้ว่าคนพาณิพะโลคนเจ้าอารมณ์ใช่ไหมคำว่าพาณินี่คือคนเจ้าอารมณ์แต่ความจริงตามคําหมายของในมงคลสูตรนี่แปลว่าคนโง่คนที่มีอวิชชาครอบงา ก็คือทุกคนในโลกนี้ล่ะสรุปง่ายๆเป็นคนโง่ทั้งนั้นถ้าครบกับพวกนี้ก็รับรองได้ว่าก็จะต้องโง่ไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะฉลาดได้ต่อให้ได้ปริญญาเอกก็ก็ยังถือว่าโง่อยู่เหมือนเดิมปริญญาเอกก็ยังทุกอยู่เหมือนเดิมยังวุ่นวายใจอยู่เหมือนเดิมยังเครียดอยู่เหมือนเดิม ต้องหาคนที่ไม่เครียดไม่ทุกข์เนี่ยก็มีแค่พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกเท่านั้นแต่จะไปหาท่านมันก็ลำบากเพราะมีน้อยแล้วท่านก็มักจะอยู่ที่ไกลๆกลไกลจากความเจริญเพราะธรรมะจะเกิดขึ้นมักจะไปเกิดในที่กันดารกัน ที่ไกลห่างไกลจากความเจริญทางวัตถุถ้าอยู่ใกล้วัตถุแล้วมันจะไม่เจริญมันจะถูกอิทธิพลของวัตถุ ด, ดูดไปหมดเห็นไหมพระในบ้านในเมืองนี้ถูกวัตถุ ด, ดูดไปหมดนะถูกลาบยศสรรเสริญดูดไปหมดต้องไปหาพระที่อยู่ในถิ่นกันดาน ท่านไม่แสวงท่านไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญไม่ต้องการความเจริญทางวัตถุท่านึงต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่ในป่าในเขาเพื่อที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมรสแห่งธรรมนี้ต้องอยู่ในที่ห่างไกลจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลึกะพระพุทธเจ้าก็ต้องออกจากวังไป อยู่ในวังแล้วก็ถูกลาบยศสรรเสริญถูกความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายครอบงำไม่สามารถที่จะเข้าหารดแห่งธรรมได้จึงต้องไปสละราชสมบัติแล้วก็ไปปรีกวิเวกอยู่ในป่าไปศึกษาไปปฏิบัติอยู่ในป่าในเขา จึงทาให้ท่านได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมเพอท่านสัมผัสท่านรู้แล้ววิธีเข้าหารถแห่งธรรมนี้เข้าอย่างไรวิธีที่จะรักษารถแห่งธรรมนี้ให้อยู่กับใจไปตลอดทําอย่างไรพอท่านทําสําเร็จแล้วท่านก็เอามาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะหนีจากอา โลกรสของโลกคือรถของราบยศสารเสริญรถของรูปเสียงกลกิ่นรสผลจะพระก็จะเข้าหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนว่าต้องต้องละทุกอย่างในโลกนี้ต้องละลาบยศสารเสริญต้องละความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเพราะมันเป็นเหมือนกองฟืนกองไฟนั่นเอง ถ้าเราไปอยู่ในกองฟืนกองไฟมันก็จะเผาเราเท่านั้นเองราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปทพะนี่เผาใจเราอยู่ตลอดเวลาใจเราร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราบยศสรรเสริญร้อนเพราะรูปเสียงกลิ่นรสปทพะกันเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาเวลาไม่มีเสพก็ร้อน เวลาได้เสพก็เย็นเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ร้อนขึ้นมาใหม่ต้องเสพใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วมันจะต้องไปเจอวาระที่ไม่สามารถที่จะเสพได้ตอนนั้นมันก็จะร้อนไปนานร้อนไปยาวเลยให้ออกจากกองไฟอย่าไปอยู่ในกองไฟของลาบยศสรรเสริญ กองไฟของรูปเสียงกลิ่นรสผลต พ, พะให้มาอยู่กองน้ำแข็งของธรรมธรรมนี้จะให้ความเย็นความสบายกับจิตใจธรรมจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอยู่ที่ห่างไกลจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะอันนี้คือ สิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันให้เรียนรู้ว่าวิธีที่เราจะเข้าถึงรถแห่งธรรมเข้าอย่างไรข้อแรกก็คือหนีจากพวกที่เสพลาบยศสารเสริน์อย่าไปอยู่กับพวกที่เสพลาบยศ ส, สรรเสิญสุขให้ไปอยู่กับพวกที่ไม่เสพลาบยศ ส, สรรเสิญสุขก็คืออยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เอง ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรพักเหนื่อยหน่อ ย, อยอถึงขั้นต้นต้องศึกษาก่อนศึกษาวิธีเข้าหารถแห่งธรรมที่ชนะรถทางบวงนี่เข้าอย่างไรถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รูเ้เหมือนต้องดูแผนที่ก่อนการที่เราจะเดินทางไปสู่ จุดหมายปลายทางที่เราไม่เคยไปได้เราต้องดูแผนที่ก่อนหรือต้องหาไกดหามากักคุเทศหาคนพาไปคนที่มาที่นี่บางทีก็ต้องเปิด g ู o g l e ดูบางทีเปิดแล้วก็ยังหาไม่เจอกว่าจะหาเจอก็หลงไปหลายรอบเพราะดูแผนที่ไม่เป็นแผนที่บอกให้เลี้ยวซ้ายก็กลับไปเลี้ยวขวา มันก็เลยไปไม่ถึงการที่จะไปหารถแห่งธรรมนี้ก็ต้องไปหาคนที่รู้จักวิธีหารถแห่งธรรมผู้ที่รู้จักวิธีหารถแห่งธรรมเราเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตก็คือพระนี่แหละพร ะ, ะอริยะไม่ใช่พระปุทุชนพระพุทุชนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบัณฑิต แต่เขามักจะให้เกียรติเวลาที่บวชสามเดือนเสร็จออกมาเขาเรียกว่าทิศใช่ไหมคำว่าทิศก็มาจากคําว่าบัณฑิตหนึ่งเพียงแต่ว่าทอทอนางมนโทเขาไปอ่านเป็นทอทหารเขาเขาก็เลยอ่านเป็นบัณฑิตที่บัณฑิตมันยาวไปเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าบัณฑเรียกว่าทิศเนี่ยเนี่ยคําว่าทิศมาจากคําว่าบัณฑิตเนี่ยคำทอทอนางมณโทนี่ใช่ไหม ทางภาษาบาลีเขาออกเสียงเป็นดอเด็กเราจะอ่านว่าบันดิตแต่ชาวบ้านอ่านไม่เป็นก็คิดว่าเป็นเหมือนทอทหารก็อ่านว่าบันทิดบันทิตก็เลยเรียกมันสั้นๆวัทิดกครบวชสามเดือ น, เ ด, อนเดือนจบนักธรรมตีก็ถือว่าเป็นบันดิตเป็นสมัยก่อนคนจบนักธรรมตีนี่ก็เป็นอาจารย์สอนเด็กป .4 ได้เนดะ็ก ท่านระดับปฐมได้ก็ถือว่าเป็นบัณฑิตแต่ยังไม่เป็นบัณฑิตแท้ของศาสนาบัณฑิตแท้นี้มีอยู่สี่คือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระเหล่านี้ท่านเข้าถึงรสแห่งธรรมแต่พวกที่มาบวชสามเดือนแล้วมาเรียนนีเพียงแต่เข้าถึงชื่อของธรรม แต่ยังเข้าไม่ถึงตัวธรรมถ้าผลไม้ก็เข้าถึงตัวผลไม้แต่ยังไม่ได้แกะเปลือกยังไม่ได้เข้าถึงเนื้อของผลไม้เช่นเจอทุเรียนนี่แต่ไม่ได้กินทุเรียนเพราะแกะทุเรียนไม่เป็นยังเข้าไปไม่ถึงเนื้อเองแต่รู้ว่าต้นทุเรียนอยู่ที่ไหนพวกที่เรียนเหมือนกับรู้สถานที่ของโนตแห่งธรรมว่าอยู่ที่ไหน แต่ยังเข้าไม่ถึงรถแห่งธรรมเพราะนอกจากเรียนแล้วยังต้องปฏิบัติเ ร, เรียนเฉยๆเป็นเพียงแต่การเรียนรู้วิธีรู้วิธีว่าจะเข้าถึงรถแห่งธรรมอย่างไรเมื่อรู้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องทำต้องปฏิบัติปฏิบัติก็คือ ท่านก็สอนบอกว่าต้องออกจากลาบยศสรรเสริญ น, นั่นเองต้องออกจากลาบยศสรรเสริญสุขวิธีออกก็คือเนี่ยให้ทาบุญทาทานมีสมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีก็ยกให้คนอื่นไปให้หมด เ, เลิกใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆถ้ายังไม่ได้บวชก็ เก็บเงินไว้สำหรับซื้ออาหารซื้อของที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพเราต้องเลี้ยงร่างกายเพราะเราต้องใช้ร่างกายในการปฏิบัติธรรม น, นี่คือวิธีออกจากลาบยศสรรเสริญหยุดหาเงินหาทองถ้าไปบวชได้ก็ไปบวชเลยถ้าไปบวชได้ก็ไม่ต้องมีเงินมีทองเลิกหาเงินหาทองเลิกใช้เงินใช้ทอง เลหาลาภยศสรรเสริญสุขด้วยการถือศีลถือศีลก็จะทําให้เราหยุดการหาหาหาลาภยศสรรเสริญสุขถือศีลแปดก็จะยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายนี่คือวิธีเข้าถึงขั้นที่หนึ่งต้องออกจากกองแห่งลดแห่ง ลดของลาบยศสรรเสริญสุขก่อนเมื่อออกแล้วขั้นที่สองก็คือต้องเข้าไปหาลดแห่งธรรมที่มีอยู่ในใจการที่จะเข้าไปในใจได้ก็ต้องมีสติดึงเข้าไปดึงใจเข้าข้างในพอตอนนี้ใจเราออกข้างนอกกันออกทางตาหูจมูกลิ้นกายกันพอตื่นขึ้นมาปั๊บนี่ไปไหน ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายทันทีตอนนอนหลับนะเขาเข้าไปพักอยู่ข้างในตอนนี้ร่างกายนอนหลับไม่มีเครื่องมือตาหูจมูกลิ้นกายพักผ่อนอยู่ไม่สามารถออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายได้พอร่างกายตื่นขึ้นมาปั๊บกิตกัตยานออกมาทันทีเลยออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย เริ่มหารูปดูเริ่มเริ่มหาเสียงฟังเริ่มหาอะไรมาดมหาอะไรมาลิมนดหาอะไรมาสัมผัสทันทีเราต้องหยุดวิธีนี้วิธีหาความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายนี้เป็นการหาความทุกข์เพราะมันเป็นของคู่กันเป็นเหมือนเหรียญเรา ต้องการเหรียญแต่เราต้องการเหรียญด้านเดียวไม่ได้เราต้องการเอาหัวอย่างเดียวไม่ได้เพราะเหรียญมีทั้งหัวมีทั้งก้อยฉันใดความสุขทางโลกก็เหมือนกันความสุขทางโลกนี่เป็นเหมือนเหรียญมันมาคู่กับความทุกข์เนเพราะว่าความสุขมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะพลิกกลับเหมือนเหรียญที่จะพลิกด้าน จากด้านหัวมาเป็นด้านก้อยอ น, นี่ก็ต้องดึงใจกลับเข้ามาพอลืมตาขึ้นมามันจะออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายก็พุทโธเลยพุทโธนี้คือสติสติจะดึงใจให้กลับเข้าข้างในให้สักแต่วร่รู้ให้ให้ดูให้รับรู้ได้แต่ไม่ให้ไปอยากกับสิ่งที่เรารับรู้ ถ้าอยากมันก็ต้องออกพอเห็นรูปอยากได้รูปมันก็จะต้องไปออกไปหารูปพอได้ยินเสียงอยากได้เสียงก็ต้องออกไปหาเสียงแต่ถ้ารู้เฉยๆอยากให้มันเกิดความอยากขึ้นมามันก็ยังอยู่ข้างในต่ออันนี้คือวิธีดึงใจให้ว่าอยู่ข้างในเพราะลแถแห่งธรรมอยู่ข้างในอยู่ที่ใจที่อยู่ข้างใน อยู่ที่ใจที่นิ่งที่สงบใจจะนิ่งใจจะสงบได้ก็ต้องอาศัยกำลังของสตินี่เป็นตัวคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดปรุงแต่งสังขารความคิดปรุงแต่งอันนี้คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสารหรือพระธรรมคำสอนจะบอกจะสอนเรา เราจึงต้องเข้าหาบัณฑิตนี่ยบัณฑิตที่แท้จริงก็มีแค่สามองค์นี้แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งแทนทําหน้าที่แทนกันได้เหมือนกันเป็นครูเป็นอาจารย์เหมือนกันสอนเรื่องเดียวกันสอนวิธีให้เข้าถึงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเนีแล้วก็วิธีก็ง่ายเนี่ยก็คือให้เรายุติการใช้เงินหาเงิน ยุติการหาราบยศสรรเสริญกันเพื่อเราจะได้มีเวลาที่เราจะได้มาหาธรรมกันนั่นเองมาหารดแห่งธรรมเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายของการหาความสุขเปลี่ยนจากการหาความสุขที่อยู่นอกกายนอกใจให้เข้ามาหาความสุขที่อยู่ภายในใจ ดันั้นเราก็ต้องยุติบทบาทที่เราเคยมีเคยมีอาชีพอะไรเคยทำอะไรพอมาบวชแล้วก็ทิ้งหมดไม่มีอาชีพเหล่านั้นติดตามมาเป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรพอมาเป็นนักบวชนี่ก็เป็นเหมือนกันหมดมาทาหน้าที่เหมือนกันหมดคือมาลังับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย โดยการรักษาศีลกันออแล้วก็มาดึงใจให้เข้าข้างในกันรักษาศีลอย่างเดียวใจยังไม่เข้าการรักษาศีล น, นี้เพียงแต่เป็นรั้ว ก, กันไม่ให้มันออกออแต่มันยังเหมือนอยู่ในคอกอยูออ่มันยังไม่ยอมเข้าไปในกรงออมีคอกใหญ่แล้วก็มีกรง อ, อะากให้มันเข้าไปในกรงนี้ต้อง ต้องลากมันเข้าไปหรือไล่มันเข้าไปต้องตีมันมันถึงจะเข้าไปเคยไปเที่ยวดูกรงหมีไหมเนี่ยที่ป่าม้านี่มีกลงหมีเขามีกลงแล้วเขาก็มีคอกมีกลงให้มันอยู่แต่มันมีประตูให้มันออกไปวิ่งที่ในคอกได้ใจก็เหมือนกันนะรู้ว่าของคอกก็เป็นเหมือนศีลนนะแต่ กลงนี้เป็นเหมือนสมาธิเนี่ยจะจับให้มันเข้ากลงนี่ต้องใช้อะไรไล่มันเข้าไปหรือดึงมันเข้าไปบางทีก็ใช้ทั้งสองอย่างเช่นไปหาผีเนี่ยไปอยู่ที่ที่ไหนมีผีเนี่ยผีมันจะไล่เราเข้าข้างในเพราะมันจะไม่กล้าออกมาหาผีใช่ไหม เราไปอยู่ในป่าช้าดูดิมันจะไม่กล้าเดินเที่ยวในป่าช้าหรอกมันจะนั่งเฉยๆพุทโธพุทโธดึงใจให้เข้าข้างในเนี่ยครูบาอาจารย์บางรูปท่านพาลูกศิษย์ไปนั่งสมาธิในป่าช้ากันก็ต้องมีอะไรคอยบังคับมันให้มันเข้าข้างในไม่เช่นนั้นถ้ามันอยู่ในที่ที่มี ของดีๆอยู่ข้างนอกมันจะถูกล่อออกมาถ้าที่ไหนมีภาพยนตร์ที่ไหนมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวมันไม่ยอมเข้าข้างในน้องตาท่านเคยเล่าว่าท่านเคยไปภาวนาอยู่อยู่ในปา่าแต่ก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านเพราะว่าต้องไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน แล้วช่วงนั้นเขามีงานอะไรไม่ทราบเปิดเพงลงรันนะมีร้องรำทําเพลงท่านนั่งแล้วท่างก็ปรุงแต่งกูงกงมานั่งอยู่นคนเดียวทําไมทําไมไม่ประสนุกสนานกับเขาเห็นไหมเนี่ยพอมันใจมันได้สัมผสัสกับไอ้ของแบบนี้กับรูปเสียงกลิ่นร้อนนี่มันจะเกิดอาการขึ้นมาทันทีเกิดอาการอยากขึ้นมาทันทีแต่ท่านก็บอกว่าท่านโชคดีท่านฉลาดคิดเป็นคิดแก้ได้ ก็บอกว่าพวกนั้นมันได้อะไรมันก็ได้แค่ความสุขประเดียวประดาวเดี๋ยวมันก็ต้องทุกข์กันต่ออันนี้เรามาเพื่อที่จะหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวนที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเราจะกลับไปหามันทำไมบางทีต้องใช้หลายวิธีด้วยกันเพราะจิตนี้มันไม่ยอมเข้ากงมันอยากจะออกข้างนอก ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ออกมาอยู่ในคอกเท่นั้นมันออกจะออกไปนอกคอกเสียด้วยซ้ําไปเออกนอกคอกก็พวกลาสิกขากันเนี่ยใครถือศีลแปด ก, ก็ไม่เอาละเลิกถือละเอหรือถ้าเป็นพระก็บวชก็สึกกันเออพดผ้าเหลืองกันเเออยแสดงว่าออกนอกคอกใจมันไม่ยอมอยู่ในคอกไม่ยอมเข้าไปในกรงเออ วิธีที่จะทำใจให้สงบได้เนี่ยต้องดึงใจหลืกกิเลสให้เข้าข้างในดึงความอยากให้มันเข้าข้างในพอตอนตอน้นห้มันอยู่ในข้อก่อนถือศีลไปก่อนเมื่อถือศีลได้ที่นี้ก็ต้องใช้สติลากมันเข้าไปอยู่ในกรงนอกจากสติถ้ามันกำลังไม่พอก็ต้องหาเสือหาผีมาไล่มันให้มันเข้าข้างใน เนี่ยผ้าป่าทำไมท่านต้องไปอยู่ในป่าเนยเขาอยู่ในป่าช้าเพราะว่ามันรากมันเข้าไปในกงยากมีสติก็จริงเถอะแต่มันก็ยังสู้เหมือนชักกระเยอะกันยิงต้องหาหาอะไรมาช่วยให้มันเข้าข้างในสิ่งที่จะช่วยเข้าข้างในก็คือความกลัวเนี่ยถ้าไปอยู่ที่ไหนมันกลัวแล้วมันไม่กล้าออกข้างนอกไม่กล้าไม่กล้าส่งจิตไปหาสิ่งที่กลัว พอยิ่งไปคิดถึงสิ่งที่กลัวเดี๋ยวมันยิ่งกลัวใหญ่มันต้องใช้พุทโธพุทโธดึงมันไว้ไม่ให้มันไปคิดหรือไปเห็นได้ยินเสียงเสือคำรามเนี่ยพระท่านชอบไปอยู่ใกล้เสือเพราะเวลาเสือคำรามนี่มันทำให้จิตเข้าข้างในได้ง่ายมันจะไม่มาออกมาทะเลไทะไลมาคิดมาปรุงมาแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอได้ยินเสือคำลาในพุโทโธพุโทโธที่ยิบเลยเขาบอกนี่นี่ต้องมีสถานที่มีมาตรการต่างๆเพื่อที่จ ะ, ะดึงให้มันเข้าข้างในบางทีมันก็ฉลาดมันเข้าข้างในแต่มันไปเข้าอีกช่องหนึ่งแทนที่จะไปเข้าช่องสมาธิมันไปเข้าช่องช่องหลับเสียวิธีจะแก้นี่ก็ต้องไปนั่งหน้าปากเขวยว ถ้าถ้าหลับก็หัวทิ่มตกเค้วไปเลยเลยไปนั่งตรงที่รู้ว่ามีเสือผ่านหรือมีผีผ่านเนี่ยแล้วนั่งย่นรับเราได้จะไม่มีวันง่วงไม่มีวันหลับนั่นนี่คือมาตรการต่างๆที่จะจุดลากดึงจิตให้เข้าไปในกรงกรงก็คือสมาธิแล้วสมาธิก็ยังไม่ใช่เป็นจุดสุดท้ายของของการปฏิบัติเดี๋ยวกงมันก็ พอตัวสิ่งที่รากมันเข้าไปหมดแรงมันก็ดันออกมาใหม่ได้ดังนั้นเมื่อมันเข้าไปในกลงแล้วต้องมีมาตรการขั้นสุดท้ายก็คือต้องเอามีดมาฆ่ามันเลยเ อ, เอามีดมาฟันมันนี่ที่จะฟันกิเลสเอาวิชาได้ก็คือปัญญาความรู้ความจริงนั่นเองเอาวิชานี้มันคือความหลงเห็นผิดเป็นชอบ เห็นว่าลาบยศสรรเสริญเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นสุขต้องเอาปัญญามาแก้ปัญญาจะมาแก้ว่ามันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปอันนี้เราเป็นตัวสุดท้ายที่จะทำให้ไอตัวอวิชชาตัวโมหตัวกิเลสตัณหานี้ตายไปหมด ต้องตายด้วยอำนาจของปัญญาแต่ปัญญาจะทำงานได้ก็ต้องรอให้มันเข้ามาในกลงก่อนเหมันเพชฌฆาตก่อนที่จะประหารก็ต้องไปจับนักโทษมาให้เพชฌฆาตก่อนตอนต้นต้องอาศัยตำรวจไปจับโจนผู้ร้ายมาก่อนจับแล้วก็เอาขึ้นสารให้สารพิพากษาเมื่อสารพิพากษาให้ประหารเขาก็ส่งมาให้เพชฌฆาตเนี่ยเพชฌฆาตรออยู่ที่ ที่ห้องป่าหานฉันใดจะฆ่ากิเลสให้ตายนี้ต้องเอากิเลสเข้ามาอยู่ในกลงให้ได้ก่อนเนี่ยวทำไมเราจึงต้องทําบุญทําทานเพื่อเราเสียสละเงินทองให้เลิกใช้เงินทองไปในทางของกิเลสนั่นเองถ้าจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากเช่นอยากได้กระเป๋าอยากได้รองเท้า อยากได้มือถือเครื่องใหม่ทั้งๆ ท, ท, ที่เครื่องเก่ายังใช้ได้ดีอยู่อย่างนี้ต้องเอาเงินที่อยากจะซื้อนี้ไปเอาไปทำบุญแทนเพื่อจะได้ากาจัดความอยากเพราะเวลาอยากแล้วเราไม่ได้ทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็จะหายไปหมดไปถ้าเราเอาเงินไปใช้ตามความอยากเดี๋ยวก็อยากจะซื้อเครื่องใหม่ต่อ ซื้อมาซื้อเครื่องนี้มาได้ชักพังหนึ่งเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเดี๋ยวเขาก็มีของเล่นของใหม่มาล่อก็อยากจะได้เครื่องใหม่ก็จะซื้ออยู่เรื่อยเมื่อซื้ออยู่เรื่อยก็ต้องหาเงินอยู่เรื่อยเมื่อหาเงินอยู่เรื่อยก็จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลมาหยุดทำกิจกรรมต่างๆ มาหยุดการหาลาบยศสรรเสริญกันนี่คือเรื่องของการทำบุญทำทานเป็นด่านขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นตอนของการนำพาเราเข้าสู่ความสงบถ้าเราทำบุญทำทานเราก็จะได้เข้าวัดนั่นเองถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวก็ไม่ได้เข้าวัดใช่ไหมง่ายๆก็เห็นชัดๆอยู่ ถ้าเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของไปช้อปปิ้งกันก็ไม่มีเงินเข้าวัดก็ไม่อยากจะเข้าวัดนถ้าถ้าเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปช้อปปิง้งเรามาเข้าวัดเราก็มีเงินมาทำบุญมาอยู่วัดมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาได้นี่ขั้นที่หนึ่งการทำบุญเป็นการกำจัด ความอยากที่จะใช้เงินไปหาความสุขต่างๆให้มาหาความสุขจากการเข้าวัดดีกว่าให้มาหาความสุขจากการทำบุญดีกว่าเงินก้อนเดียวกันนียเอาไปเที่ยวกัเอาไปทำบุญนี่มีความรู้สึกต่อจิตใจที่ต่างกันเที่ยวดีใจเดี๋ยวๆกลับมาก็หมดละแต่เงินที่ไปทำบุญนี้ให้ทำาแล้วมีความปพื้มปิติมีความสุขใจอิ่มใจ ต้องทำบุญที่เราเห็นชัดเห็นผลชัดถ้าทำแบบไม่เห็นมันก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้เช่นถ้าเราเอาเงินไปใส่ในตู้บริจาคนี่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปใช้ทำอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเราเอาไปซื้ออาหารให้คนอดอยากขาดแคลนกินอย่างนี้หรือไปจ่ายค่ารักษายาให้คนที่ป่วยไข้ที่เขาไม่มีเงินจะรักษาให้เขาได้รักษา แล้วให้เห็นเขาหายจากการเสียสละของเรามันจะทำให้เรามีความสุขใจมากกว่าการที่เราได้ไปเที่ยวถ้าเราได้เห็นผลประโยชน์ของเงินทองที่เราเสียสละไปจะทำให้คนที่เขาทุกข์หายทุกข์เนี่ยจะทำให้คนที่เขาเดือดร้อนหายเดือดร้อนมันจะทำให้เรามีความสุข แล้วเวลาที่เราคิดถึงมันเวลาผ่านไปแล้วเรากลับไปคิดถึงมันเราก็ยังมีความรู้สึกมีความสุขอยู่ไม่เหมือนกับการไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวกลับมาแล้วกลับไปคิดถึงที่เราเคยไปเที่ยวทีนี้อยากกลับไปอี ก, กสิไม่สุขแล้วทุกข์แล้วเพราะเกิดความอยากจะกลับไปเที่ยวอีกแล้วถ้าไม่มีเงินไปเที่ยวก็ทุกข์อยู่บ้านก็หงุดหงิดลำคาญใจ แต่ถ้าทําบุญแล้วจะไม่หงุดหงิดรำคาญใจเพราะไม่มีความคิดอยากจะไปเที่ยวที่ไหนถ้าไม่มีเงินไปทําบุญก็ไม่ได้ทําก็ไม่รู้สึกอะไรไม่เดือดร้อนคิดถึงบุญที่เราได้ทํามามันก็ยังทําให้เรามีความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาได้อยู่อันนี้คือวิธีการเข้าหารดแห่งธรรม ต้องสะละลดทางโลกไปลดทางรูปเสียงกิน่นลดปวดทพะด้วยการเลิกใช้ใช้ใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราเลิกใช้เงินทองเราก็เลิกหาเงินทองได้เมื่อไม่ต้องทํางานทําการเราก็ไปวัดได้ไปบวชได้ะ เมื่อเราไปบวชที่นี่เราก็จะได้สร้างสร้างอคอกขึ้นมาได้เราก็จะสร้างศีลใช้ศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบยี่สิบ 20, นี้เป็นอคอกไว้สําหรับกัน้นไม่ให้กิเลสมันออกไปเพราะจะจับมันเข้ากรงมันจะได้ง่ายถ้ามันออกไปนอกอคอกแล้วมันไปรอบโลกนี้ไปดึงมันกลับเข้ามายากเลองไปเที่ยวดูแล้วลองไปนั่งสมาธิดูนั่งได้ไหม ไปเที่ยวแล้วตอนเย็นก่อนจะนอนนั่งสมาธิก่อนนอนนี่ทําไม่ได้เ <c oughs> พราะมันเหนื่อยจากการเที่ยวมันอยากจะนอนนั <c> ้น <oughs> เราต้องสร้างข้อสรางข้อก็ต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ดเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็น สัมมณเณรเป็นภิกษุเนี่ยก็จะสามารถสร้างอคอกขึ้นมาได้ศีลเป็นอคอกแล้ว ม, มาพอมีอคอกมันก็จะง่ายต่อการที่จะจับตัวกิเลสแล้วดึงมันเข้าไปในกรงอีกทีหนึ่งที่จะจับก็ต้องมีเชือกเหมือนโคบาลเห็นไหมที่เขาจะจับวัวจับอะไรมาตีตานี่เขาจะต้องมีเชือกมีม้าขี่คอยไล่ จับตัวโคตัววัวที่เขาจะมาตีตาหรือเขาจะมาเอาไปขายอย่างี้เขาก็ต้องตีตาไว้จะได้รู้ว่าเป็นของใครก็ต้องใช้เชือกเชือกก็คือสตอิเราก็ต้องใช้สติพุทธโธพุทธโธพุทธโธหรือถ้าให้พุทธโธก็ใช้อย่างอื่นก็ได้ใช้ทมโมก็ได้ใช้สังโคก็ได้ใช้บทสวดอิติปิโสก็ได้แล้วแต่ความถนัด แล้วแต่ระดับจิตแล้วแต่กำลังของจิตบางทีก็จิตกำลังอ่อนให้อยู่กับพุโทโธก็ไม่อยู่ก็ จ, จะต้องให้มันสวดยาวๆไปก่อนเมื่อสวดยาวๆแล้วต่อไปมันก็จะมันก็จะเหนื่อยมันก็จะไม่อยากจะสวดมันก็ไม่อยากจะคิดอะไรก็พุโทโธได้หรือถ้ามันไม่คิดไม่ต้องพุโทโธก็ได้เปลี่ยนมาดูร่างกายแทนก็ได้ มาเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนกำลังยกแขนกำลังยกขากำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาให้เฝ้าดูอย่างนั้นในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันคิดก็แสดงว่าไม่ได้อยู่กับร่างกายถ้ามันไม่อยู่มันไม่ยอมอยู่ก็า จ, จะต้องใช้พุโทโธนึงกลับมา อันนี้คือการฝึกสติดึงใจให้เข้าคอกอันนี้เพียงแต่ดึงใจให้เข้ามาปากคอกเท่านั้นเองการใช้สตินี่จะดึงมันเข้ามาอยู่ที่ปากคอกถ้าอยากจะให้มันอยู่ที่ปากกลงถ้าอยากจะให้มันเข้าไปในกลงในนี้ต้องต้องต้องถีบมันเข้าไปพอมาถึงปากประตูคอกแล้วที่นี้ต้องถีบมันดันมันเข้าไปวิธีดันก็ต้องมานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธ นี่เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่ให้เคลื่อนไหวต้องดูลมหายใจไปอย่างเดียวหรือพุทโธไปอย่างเดียวหรือจะผสมกันก็ได้บางคนพุทธเข้าโธออกก็ได้บางคนพุทธโทธอย่างเดียวไม่เอาลมเลยก็ได้บางคนเอาลมอย่างเดียวไม่เอาพุทธโธเลยก็ได้นแต่ถ้าแบบดั้งเดิมนี่เขาดูลมอย่างเดียวพระพุทธเจ้าสอนอานาปณะสติ ừ, ให้ดูลมหายใจเข้าออก ปัจจุบันนี้มีการมามาดัดแปลงหรือว่ามาผสมผสานรูปแบบใหม่เหมือนเครื่องดื่มไหมสมัยก่อนมีรสเดียวเนียเดี๋ยวนี้มันต้องการการตลาดต้องการต้องการคนซื้อมากขึ้นมันก็ต้องมีวิธีพิกแพงมีรสเปลี่ยนไปมีรสหลายแบบเดี๋ยวนี้มีทั้งแบบมีน้ำตาลไม่มีน้าตาลมีน้าตาลเทียมมีอะไรหลายอย่าง ให้คนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไปจะได้มาซื้ อ, องั้นเดิมทีก็ให้ดูแต่ลมหายใจเข้าออกนี้บางคนดูลมหายใจเข้าออกไม่ได้เขาก็เลยให้ใช้พุโทโธบางคนใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ยังไปก็เอาเอาลมด้วยผสมกับลมด้วยพุทเข้าโธออกด้วยก็ได้นี่ต่อไปอาจจะมีอีกหลายวิธีก็ได้อาจารย์มงท่านก็สอนให้ดูดูอะไร ดูนิ้วใช่ไหมดูว่าเนี่ยยกนิ้วขึ้นมาแล้วก็ให้นั่งดูนิ้วของตัวเองขยับนิ้วไปขยับนิ้วมาออันนี้ก็เป็นอุบายให้จิตมันอยู่กับร่างกายให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่มันไม่เป็นธรรมชาตินะเพราะเราจะมานั่งเอานั่งดูนิ้วอย่างเดียวไม่ได้เพราะชีวิตเราต้องมีการทําอะไรหรือแม้มาบวชแล้วยังต้องมีการทํางานอยู่ ก็ยังต้องเดินบินตาบาตจะมานั่งดูนิ้วเดี๋ยวก็อดข้าวนะ mm hmm. เวลาเดินบินโบาดก็ต้องดูการบินฑบาตไปแล้เวเดี๋ยวถึงเวลาฉันก็ต้องดูเวลาการฉันไปเวลาล้างบาทก็ต้องดูการล้างบาทไปเวลากวาดถูศาลาก็ต้องดูการกวาดถูศาลาไปจะมานั่งดูแต่นิ้วอย่างเดียวมันไม่มันไม่ได้นะมันจะไม่ทันการเราต้องใช้แบบ ธรรมชาติคือไปกับร่างกายร่างกายอยู่ที่ไหนใจเราอยู่ตรงนั้นใจเราอย่าไปอยู่ที่อื่นเช่นตอนนี้ร่างกายเราอยู่ที่นี่ใจเราอาจจะไปถึงบ้านแล้วก็ได้เรือไปถึงที่ไหนแล้วก็ได้ถ้าเราไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสติหนึ่งไว้มันก็จะอยู่ตรงนี้จิตใจมัน จ, จิตสงบให้มันนิ่งได้มันต้องอยู่ในปัจจุบันไปอดีตไม่ได้ไปอนาคตไม่ได้ เพราถ้ามันไปอดีตไปอนาคตก็แสดงว่ามันคิดแล้วมันคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตถ้าอยากให้มันนิ่งต้องให้มันอยู่ในปัจจุบันให้มันรู้เฉยๆรู้อยู่กับลมถ้านั่งก็ให้รู้อยู่กับลมหรืออยู่รู้อยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวจิตมันก็จะรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ขึ้นมาเหลือแต่จิตเหลือแต่ตัวรู้วนลวลๆตัวคิดหายไปก็เรียวกว่าเป็นหนึ่ง ตอนนี้มีสองมีทั้งตัวคิดมีทั้งตัวรู้เนี่เราใช้สติหยุดตัวคิดพอตัวคิดหยุดก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยท่านเรียกว่าเอกขัตตารมเนี่ยใจรวมเป็นหนึ่งรวมเพราะเราหยุดตัวที่ไอสองตัวนี้หยุดตัวหนึ่งมันก็เหลือตัวหยุดถ้ามีสองตัวถ้าหยุดตัวหนึ่งมันก็เหลือตัวเดียวใช่ไหมถ้าปล่อยให้ตัวหนึ่งทํางานด้วยมันก็ทําพร้อมกันไปมันก็เป็นสอง เราต้องการให้จิตเป็นหนึ่งก็ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดด้วยสติหยุดด้วยพุทโธหยุดด้วยการดูลมหายใจพอมันหยุดแล้วเทนี้เราก็จะมีกําลังที่จะเอาปัญญามาใช้ในการสอนใจว่าควรจะหยุดหยุดใจตอนไหนใจเรานี่เราต้องมาใช้ปัญญาแยกเแยะว่าส่วนไหนหยุดได้ส่วนไหนไม่ต้องหยุดก็ได้ส่วนที่ต้องหยุดก็คือความอยากต่างๆ ถ้าใจอยากปั๊บนี้ต้องหยุดมันทันทีแต่ถ้าใจไม่ไม่มีความอยากใจทำอะไรไปตามเหตุการณ์ตามเหตุผลนี้ทำได้ถึงเวลากินข้าวก็กินได้ถึงเวลาดื่มน้ำก็ดื่มได้เหมือนการรับประทานยาอย่างนี้ไม่เป็นความอยากแต่ถ้ากินอิ่มปั๊บเดียวไม่ถึงครึ่ชงชั่วโมงอยากจะกินอีกแล้วอันนี้ต้องหยุดมันเพราะว่ามันเป็นความอยากหรืออยากไปดูนู่นดูนี่ มซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกายก็เป็นความอยากขึ้นมาแล้วเขาต้องหยุดมันจะรู้ได้ว่าเป็นความอยากหรือไม่ก็ต้องใช้ปัญญามาวิเคราะห์เพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นความอยากอะไรไม่เป็นความอยากถ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นนี่ไม่เป็นความอยากสิ่งที่ไม่จําเป็นสิ่งที่เป็นความอยาก คืออยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นคายอันนี้ต้องหยุดเหมือนพอมีปัญญารู้จักแยกแยะ ก, ก็จะหยุดความอยากทั้งหลายคือกิเลสทั้งหลายอาวิชชาทั้งหลายให้ให้หายไปหมดพอหมดแล้วทีนี้ใจก็จะสงบไปตลอดอย่างถาวรรดแห่งธรรมก็จะอยู่คู่กับใจไปอย่างตลอดช่วงขณะที่ ซัอยู่ในสมาธิมันจะอยู่ได้ชั่วคราวเวลาจิตสงบด้วยสมาธิมันก็จะสงบได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะถอนออกมาพอถอนออกมาความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะค่อยๆจางหายไปเราจรึงต้องกลับเข้าไปในสมาธิอยู่เรื่อยๆแต่กลับเข้าไปกี่ครั้งออกมาเดี๋ยวมันก็หมดวิธีที่จะทําให้มันหมดนี้ต้องใช้ปัญญา ตัวที่ทำให้สมาความสุขที่ออกจากสมาธิหมดก็คือความอยากนี่เองพอเราทำลายความอยากหมดแล้วต่อไปมันก็ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะพระมันจะออกมาหรือเข้าข้างในมันก็สุขเหมือนกันดาบใดที่เราคุมความคิดในทางความอยากได้มันก็จะความสุขก็จะไม่หายไปนี่คือขั้นตอนต่าง ของการเข้าหารถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงต้องเข้าหาผู้รู้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาจากผู้รู้หลังจากศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามท่านกศให้เราทำทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนากันอันนี้คือวิธีง่ายๆฟังง่ายแต่ปฏิบัติยากแต่ละขั้นนี่ยากล้วเกินทำทานแต่ละบาทสองบาทนี้มันไม่ใช่ง่าย ควักเงินซื้อของนี่ง่ายกว่าควกเงินทําบุญทําทานแต่ประโยชน์นี่ได้ต่างกันประโยชน์ที่ได้จากการทําบุญทําทานนี้ได้ประโยชน์มากกว่าการไปซื้อของที่ไม่จําเป็นต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนําออกไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะได้รับกับ เราก็จะได้พบกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถแห่งป่วงไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องทำเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงแต่ผู้สอนผู้บอกเท่านั้นเองเราต้องทำเองถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสักังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปการปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจฉาโตสะเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพิติโยวิวาชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีทิคาโยโกภวะ อาพิวาทานสีิตสานิจังวุธาปจายโนจตระะารโหธรมาวนติอายุวันโนสุขังภาลางังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์จากเฟซบุ๊กสี่ร้อยสาสิบเูทูบร้อยสี่สิบสาม วิทยุออนไลน์ย26สผู้รับฟังบนเขาสิบรวมทั้งสิ้น625ค่ะขอกลับน้ำพะสการ์ทันพระจานทร์ค่ะขอโอกาส so I have a question so like uh, I think when you meditation so to me about like uh, when you feel happy so I feel like uh, for everything is a kind of peaceful So I used to be like a, it's kind of angry and short, like a, temper. They're very really easy to get. It's angry when more and more. So I'm, so I feel calm. Meditation. So I sit in the room. I'm try to pray first. You know, I'm meditation, and I feel like a. Now, like a first in the morning when I'm waking up. So I feel like a. thing is so easy and the thing is uh, happy, so I'm not feel like angry and mad like I used to. So, อันนี้ขอเป็นภ uh, าษาไทยนะคะคื yeah. อตอนเนี้ยค่ะคือว่าทุกทุกทุกทุกเช้าค่ะถ้าท่านพระอาจารย์คือจิตมันเหมือนแบบแบบว่าคือถามตัวเองว่าบุญคืออะไรพอตื่นขึ้นมาแล้วคือจิตมันสุขอะค่ะ มันไม่เกิดความกังวลหรือมันไม่ได้วิตกกังวลว่าอะไรจะเกิดในพรุ่งนี้หรือสิ่งที่ผ่านมามันคืออะไรก็ดีสิก็ทาอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่าไป ว, วิตกก็ดับมันเสียอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างมากก็ตายติด <g ül> ตามตูตามรู้ก็คือตอนนี้คือคืออยากจะถามคนนี้คำถามว่าช่วงนี้คะ่ะอาจารย์คือช่วงหลังมา ตีสามทุกวันน่ะเหมือนแบบจะตื่นขึ้นมาแล้วแบบตื่นขึ้นมาทําไมมันเหมือนอมันเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกอะคอยตื่นเวลาไหนมันก็จะตื่นเวลานั้นอ่ะคือตื่นขึ้นมาก็อยากจะสวดมนต์คืออยากจะภานนาตอนเช้าเช้านี้จิตมันสงบมันจิตมันไม่วุ่นวายเหมือนตอนกลางวันมันจะปลุกขึ้นมาเองค่ะมันเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกมันคอยตื่นเวลาไหนมันก็จะตื่นเวลานั้นไม่เคยทําอะไรตอนไหนมันก็จะทําตอนนั้น เราถึงต้องหัดฝึกนิสัยให้มันทำในสิ่งที่ดีพอทำบอมันเป็นนิสัยแล้วมันจะไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับมันเ ข, า, ขาไม่มีอะไระช่วยส่งไมโครโฟนมีใครอยากจะถามไหมถามได้นะไม่ง่อหรอก <laughs> คนถามจะได้คนสนใจธรรมะไม่ได้งือ ขอโอกาสค่ะเอาเลยเอาเลยเคุณคนนี้ค่ะอยากถามแต่กลัวถามไม่เป็นถามเลยค่ะช่วค่ะก็พูดไปตามความคิดเห็นของตนเลยอือกับนมัสการของพ่อค่ะคุณใกล้ใกล้ปากหน่อยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อเรื่องบุญกับบารามีนะคะว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้วทําอย่างไรที่เราจะสะสมบุญหรือบารามีให้ถึงสายทานพระนิพพานนะคะก็ทุกอย่างที่เราทําที่เรียกว่าบุญนี่ก็เป็นบารามีทั้งนั้นเน่ะ ทําทานก็เป็นทานบารมีรักษาศีลก็เป็นศีลบารมีคคาว่าบารมีนี่คือเป็นสิ่งที่จะยกจิตเราให้สูงขึ้นในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเขาก็เรียกว่าสะสมบารมีไปเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าบารเมียไหนถึงจะพาให้ไปสู่จุดหมายปลายทาง เขาก็เลยทำกันไปทำผิดทำถูกกันไปแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสอนท่านก็จะบอกสูตรตายตัวให้เรารู้สูตรตายตัวคือมรรคแปดก็ได้สินสมาธิปัญญาก็ได้บารมีสิบก็ได้เหมือนตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ามีมีความแตกต่างนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยเหมือนโทรศัพท์แต่ละเครื่องเนี่ยเป็นโทรศัพท์เหมือนกัน แต่อาจจะมีการใช้งานใช้อะไรที่พิเศษต่างกันไปนิดหน่อยค่ะแล้วคำที่กล่าวว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดเนี่ยคะก็ในหมายความว่าเวลาไม่มีใครมาหยากรีแลตให้โผล่ขึ้นมาเราก็เราก็อยู่อย่างสบายๆแต่พอใครมาดา่าเรานี่เราต้องมีเมตตาบารมีโผล่ขึ้นมา <c oughs> เราต้องใช้เมตตาเพื่อที่จะระ ง, งับความโกรธ เขาั้งบอกว่ามาบรบอกมีบารมีบอกเกิดยังเวลาเวลา เ, เจอความเวลาเจอใครก็แย่เราใครก็มารบกวนใจเราเราต้องรีบเราต้องเอาบารมีที่เรามีอยู่มาแก่ไง โดยวิธีการแผ่เมตตาหรือเปล่าคะก็ะแผ่เมตตาก็คือไม่ใช่สวดนะแผ่เมตตาคือเ ข, เขาดา่าเราก็สาทุ้ไปไม่ไปโกรธเขาเอามึงอยากจะด่ากูก็ด่าไปไม่ถือถ้าเป็นความสุขก็ยินดีให้ อ, อ, อย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาคือไม่ถือโทษโกรธเคืองกันแล้วเราควรจะเข้าหาหรือเราควรจะหนีคะ มันไม่ได้เข้าหาหรือหนีหรอกมันมาเองชีวิตเราเราก็ไปตามทางของเราแหะแต่มันมระหว่างทางมันก็ต้องเจอบ้างเหมือนเดินไปในป่านี้เดี๋ยวก็เจอเจองูบ้างเจออะไรบ้างเมื่อเจอเราก็ต้องใช้บารมีเนี่ยมาแก้เพราะเป็นวิธีที่แก้ที่แก้ปัญหาที่ถูกต้องไม่มีโทษตามมาไม่มีเรื่องตามมาถ้าแก้ด้วยวิธีอื่นมันจะเป็นเวรเป็นกรรมกันนะฮะเต้องใช้บารมีแก้ เราไม่ต้องหนีไม่ต้องไปหามันหรอกนอกจากเราอยากจะทดสอบว่าเรามีบา ร, รมีหรือไม่ก็ไปหามันได้แต่ถ้าเราไม่อยากจะไปหามันก็อย่าไปหามันเราก็พยายามสร้างบา ร, รมีของเราไปเรื่อยๆก่อนแต่วันหนึ่งอาจจะมีถึงขีดหนึ่งที่เราอยากจะทดลองบา ร, รมีเราว่ า, ามีกำลังสู้ไหมเราก็อาจจะต้องไปหาหามันเช่นพระปา่พาพระไปอยู่ในปา่านี่ก็ไปทดสอบสติบา ร, รมีไปทดสอบปัญญาบา ร, รมี ถ้าอยู่บ้านอยู่ที่ปลอดภยัยมันไม่เจอมันไม่มีอะไรมากระตุน้นก็ต้องไปอยู่ที่ที่มันน่ากลัวอย่างเนี้ยจะได้รู้ว่าเรามีปัญญาที่จะมาดับความกลัวหรือเปล่าเห็นบอกว่าถ้าเกิดเราทำบุญมากๆเนี่ยเราก็จะเออพวกพวกมาหรือพวกเจ้ากรรมในเวนี่ก็จะไม่มามามาไม่ถึงตัวเราใช่ไหมคะคือมันไม่ได้ ไม่ได้ปิดได้ร้อยเปอร์เซนตแต่โดยพูดโดยทั่วไปคนทำบุญคนทำความดีย่อมเป็นคนที่มีคนน่ารักมีคนไม่มีใครเกลียดชังเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอนิสงส์ของผู้ที่มีบุญบารมีคือมีเมตตาบารมีทำบุญอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองจะไม่ได้จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือ ย, ยาพิษนีอันนี้เป็นผล อา น, นิสงส์ที่จะได้จากการทำความดีต่างๆแต่ไม่ได้ป้องกันถ้าถึงเวลากรรมมันจะมาถึงก้าห้าไม่ได้หรืออุบับติเหตุอุบัติภัยนี่ไม่เกี่ยวกับกรรมไม่เกี่ยวกับบุญบารมีมันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุสุดวิสัยเดินไปอาจจะถูกมะพร้าวหล่นทับหัวตายก็ได้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้คนทาบุญก็ตายได้ เพราะถ้าเกิดมาแล้วมันต้องตายด้วยกันทุกคนถ้าไม่อยากจะตายก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นไม่มาเกิดก็ต้องมีบารมีครบสิบหรือมีมรรคครบแปดหรือมีศีลสมาธิครบสามเนี่ยพวกนี้เป็นบารมีทั้งนั้นเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราไม่มาเกิดเข้าใจไับขอบึ้นค่ะขัดมัสการค่ะขออากาศค่ะ ตรงกันข้ามนะคะตอนตอนมีมานเนี่ยสงบแล้วก็ทำจิตได้เป็นสมาธิดีเวลาที่เราสู้กับอารมณ์เครียดแค้นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือแบบมองอะไรแล้วมันดูดูเบาสบายแล้วก็ปลงมันเหมือนขี้เกียจครับอาจารย์มันจะเฉย ก็ขี้เกียจแบบนี้ก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนไม่ใช่เลยขี้เกียจแบบไม่เสียหายก็ขี้เกียจได้แล้วก็ทดสอบนะคะปกติก็จะอยู่ในบ้านก็จะไม่ได้มีอะไรก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจติตดีเขาเรียกว่าอยู่เป็นสุขไงอยู่เป็นสุขก็ไม่ต้องไปทําอะไรแต่จริงๆพอมีโจทย์นะคะ่ะพราะวันวันแม่ที่ผ่านมาพาหลานไปดูหนังแล้วเขาก็บอกว่าคุณแม่กับคุณลูกมาคุณแม่ดูหนังฟรีรับเลยจริงเราไม่ได้เป็นแม่ะคะ่ะอย่ามีบาปไหมคะอะ ก็ไม่บอกเพราะความจริงเขาบาปเสียก็โกหกแล้วโรคก็บอกก็บอกก็ว่าเราไม่เป็นแม่เราแต่ไม่เป็นไรแหละถ้าเราบอกความจริงเขาก็ไม่เขาก็ไม่ว่าเลยจริงบอกไม่บอกความจริงเขาก็ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรแต่ว่าเราไม่ได้บอกเราก็รู้จิตเราเลยว่าตรงนั้นอะโลกเรายังสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันไวกว่ากลัวจะไม่ได้ดูกลัวจะไม่ได้ดูฟรีเสียดายสามร้อยสาธุค่ะ เ่าตั้งบ้านได้อีกสองสามข้อค่ะจากาจากเฟซบุค่ะคุณ knitting crochet หากตอนหลับฝันถึงอุปัตเทศ ท, ที่มาถึงตัวแบบกระทันหันจนรู้สึกว่าอย่างไรก็ไม่รอดแล้วจิตก็นึกถึงพุทธโธบริกรรมพุทธโธแล้ววางจิตอย่างสงบได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ถือว่าการปฏิบัติ ทำให้จิตระลึกได้เร็วแม้ในยามหลับหรือเปล่าเจ้าคะหรือความฝันกับการปฏิบัตินั้นจิตไม่เกี่ยวข้องกันเป็นความฝันเรื่อยเปื่อยคะไม่เรื่อยเปื่อยละเป็นตัวเดียวกันมันใคยฝึกผลอบรมเราไม่ทำไงตอนฝันมันก็จะทําอย่างนั้นตอนเกิดเหตุการณ์จริงมันก็จะทําอย่างนั้นถ้ามันฝันกลัวโกยมันก็จะโกยถ้ามันฝันตรงมันยอมตายมันก็จะยอมตายอยู่ที่การฝึกขัดของเรา ก็จิตตัวเดียวกันเนี่ยมันก็คิดเรื่องเดียวกันเพียงแต่เราเวลานอนหลับก็เราก็รี่กความคิดนี่ว่าฝันนั่นเองพอเราตื่นมันก็เรียกว่าความคิดมันก็ตัวเดียวกันเนี่ยก็เรียกว่าจิตสุดท้ายเป็นอย่างเนี้ยเคยฝึกใคยซ้อมเป็นยังไงพอถึงเวลามันก็จะทําตามที่มันเคยสอนให้มาฝึกให้ทํำถ้าสอนให้โกยมันก็จะโกยถ้าสอนให้ปองมันก็จะปองเนี่ยถ้าเราต้องมาฝึกจิตให้มันปรงให้มันวางให้มันยอม ให้ยอมหยุดเย็นแล้วจะสบายะยอมแล้วหยุดหยุดแล้วก็เย็นยอมตายแล้วก็สบายหยุดต่อต้านหยุดวิ่งหนีแล้วก็จะเย็นตายแบบสบายค่ะคำถามต่อไปจะคุณบุตสบายการเดินจงกรมมือทั้งสองข้างควรวางอย่างไรเจ้าคะการวางข้างหน้าเนี่ยวางไว้ข้างหน้าขาทับซ้ายเหมือนกับเวลานั่งไปแต่วางไว้ที่หน้ า, ห น, าหน้าท้องหรือ บริเวณที่สบายก็ อ, อย่าไปแกว่งไปแกว่งมาแบบเดินแบบทหารเราต้องการเดินแบบสํารวมนักปฏิบัติทั้งสํารวมกายเราจะดูว่าสวยงามไม่ควรจะเดินด้วยมือคว่ำหลังอย่างนี้ก็ไม่ควรต้องอยู่ข้างหน้าค่ะคําถามต่อไปค่ะการก้าวเดินควรมีความเร็วหรือช้ามากน้อยเพียงใดเจ้าคะแล้วแต่โอกาสบางทีง่วงก็เดินเร็วก็ได้แก้ง่วง บางทีไม่ง่วงก็เดินตามสบายๆ บ, บางทีเหนื่อยก็เดินช้าหน่อยบางทีเริ่มต้นอาจจะไม่มีแรงมากก็ค่อยๆก้าวทีละก้าวสองก้าวพอมันเริ่มมีกําลังมากขึ้นก็เดินให้มันเร็วขึ้นคือโดยปกติให้มันเดินแบบปกติแบบพระบิณฑบาทอย่างเงี้ยหรือเราเดินไปไหนมาไหนหเราเดินแบบขนาดนั้นนะ่ะยกเว้นว่าเรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องเดินช้าแล้วเดินเร็วก็ว่าไป บางทีเราต้องการพิจารณาทำล้วอาจจะเดินช้าหน่อยหรืออาจจะยืนไม่เดินก็ได้ถ้าเราพิจารณาทำพิจารณาอะไรแล้วมันถ้าเดินแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่คล่องแคล่วในการพิจารณาก็หยุดเดินก่อนก็ได้แั้นมีการปรับได้ตามเหตุการณ์ตามความต้องการเหมือนเกียรนะ์รถขับรถก็ต้องคอยเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเขาก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ลงเขาก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ เวลาวิ่งช้าก็ต้องใส่เกียร์อีกเกียร์หนึ่งเวลาวิ่งเร็วก็ต้องเปลี่ยนเกียร์มันก็ต้องเปลี่ยนไปตามสภาวะเ ห, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและคำถามสุดท้ายค่ะควรเดินประมาณกี่ชั่วโมงเจ้าคะ เดินให้ล้มเลยเดินถ้าตามได้ยังเดินได้เดินไปอย่าขี้เกียจเดินอย่างหงเดินไม่ไหวก็มานั่งต่อนั่งก็นั่งให้มันนานแล้วมันจะนั่งได้นานถ้าเดินจกนกระทั่งเมื่อแล้วมันไม่อยากจะลุกทีนี้มันก็จะนั่งได้นานเนีย่ยบางสนานักเขาบางังคับให้เดินทีสามชั่วโมงแล้วก็มานั่งสามชั่วโมงเนี่ย เลับกันอย่างเงี้ยมันต้องเอาแบบโหดโดกิเลสมันเงนี้ยกลัวเข้าใจไหมถ้ า, าแบบเนาะแน่เนะ น, ะ น, ะนะ่นี่กิเลสมันไม่มันไม่สะเทือนเข้าใจหมเดินสิบห้านาทีแล้วก็นั่งสิบห้านาทีนี่โอ้ยกิเลสมันยิ้มนะงั้นต้องเอาแบบโหดโหดเนี่ยนี่แหละอดข้อย่างพุทธเจา้าอดข้าวสี่สิบเก้าวันอย่างเงี้ย หมดได้ใช่ไหมมีมีอีกหลายคำถามเลยไม่อ พ, อพอลวเวลาหมดแล้ววันนี้ขออภัยด้วยก็ไม่เป็นไรส่งมาได้พรุ่งนี้ก็ส่งมาใหม่ได้เพียงแต่ก๊อปปี้เก็บไว้ใช่ไหมก๊อปปี้แล้วก็เพสได้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธญ